เว็บไซต์นี้จัดํำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอเนื้อหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาณวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา